เรื่องเกรดจมหลุมคูดเพศชายหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวรวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชเครครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคคลานะพักอยู่ที่เขาคิจกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคคลานะครองอันตรวาศถือบาดและจีวรเข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่า ท่าลักษณะมาเถิดผู้เราจะไปบินธบาตในกรุงราชครื่ด้วยกันพระลักษณะรับคำแล้วขณะที่พระมหาโมคคลานะกําลังลงจากภูเขาคิจกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักษณะถามว่าท่านโมคคลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคคลานะตอบว่าท่านลักษณะยังไม่ถึงเวลาต่อปัญหานี้ เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินทบาทในกรุงราชครือกลับจากบินทบาทหลังจากฉันอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงณนะที่สมควรครั้นแล้วพระลักษณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคคัลลานะเมื่อท่านลงจากภูเขาคี้จกูดในกรุงราชครือนี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่ง ได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมคคลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นเปรตจมหลุมคูดจนมิดศีสะเพศ ช, ชายลอยในอากาศฝูงแรงนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ค ว, ควักไข่จิกถึงยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมร้องครวนครางกระผมมีความรู้สึกว่า น่าสัจ จ, จริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่พิกษุทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพรทนาว่าพระมหาโมคลานะณะกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพิสษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักษุยันก็ยังมีอยู่ เพราะสาวกที่รู้เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นเปรตจมหลุมคูดเพศช า, ายนั้นแต่ไม่พยากรเพราะการพยากร น, นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราพิกสุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นชู้กับภรยาของชายอื่นอยู่ในกรุงราชครืเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไม้อยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้ว ได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมกขลานะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่46